สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการกลเมตรครัวไอเดียค่ะอยู่กับเอนะคะพานุมาหัดบูลรับหน้าที่ดำเนินรายการและอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องราวของสารพันห้องครัวค่ะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็พบกันเป็นประจำเลยทั้งสามช่วงของรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นลุยเข้าครัวนะคะกละเมดเกล็ดเสริมครัวแล้วก็กลเมดเกลด็ดถายครัวนั่นเองค่ะ อย่างในช่วงแรกค่ะกับกลเมหดลุยเข้าครัวนะคะวันนี้เอมีเรื่องราวเกี่ยวกับกลิ่นหอมนะคะการเลือกกลิ่นให้เหมาะกับ5 ห, ห้องภายในบ้านอาจจะไม่ใช่ห้องครัวสักทีเดียวนะคะแต่ก็บอกเลยว่ามีประโยชน์แล้วก็มีห้องครัวรวมอยู่ใน5 ห, ห้องนี้ด้วยนะค ะ, ะ, คะเลือกอย่างไรให้อยู่และผ่อนคลายเลือกกลิ่นหอมให้เหมาะกับ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 ทั้งหมดทั้งมวล น, นี้รวบรวมไวในรายการกลเม็ดครัวไอเดียของเราในวันนี้แล้วค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวในช่วงแรกกันกับกลเม็ดลุยเข้าครัวค่ะ What i u n o บอกเธอไว้ว่าฉันยังเฝ้าคอยให้เธอคนดีกลับมาฝนฝากสาลมช่วยพาพาไปบอกเธอไว่คิดถึงเธอ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 อย่างที่ห้าห้องห้าห้องสุดท้ายนะขาดไม่ได้เลยก็คือห้องครัวค่ะ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 เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นกลิ่นอะไรต่ออะไรนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้อะไรที่แรงๆหน่อยมากรบ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 Never to i u t k i n e never to i u t f i n wami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 เนีะสำหรับห้องครัวค่ะแสงสว่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญไฟในห้องนั้นนะคะก็อาจจะสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบรางไฟนะคะในยุค90แบบหลอดไฟฝังนะคะในช่วงต้นยุค2000นะคะหรือแม้กระทั่งที่เป็นไฟโคมนะคะที่ห้อยลงมาจากเพดานเนี่ยก็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 Light.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 สัาจสคญใถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รังสิตโดยวิทยลาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย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 เชิญที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา ช, ชมงคลทัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999